้อควรศึกษายิ่งขึ้นไปเพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจนข้อ5กรรมที่ทำให้สิ้นกรรมในหัวข้อว่าด้วยประเภทของกรรมข้างต้นเฉพาะหมวดสุดท้ายได้จำแนกกรรมเป็นสี่อย่างตามสภาพที่สัมพันธ์กับวิบากหรือการให้ผลคือนกรรมดำมีวิบากดำา 2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเรื่องการให้ผลของกรรมเท่าที่บรรยายมานี้จำกัดอยู่ในวงของกรรมสามข้อต้นที่มีชื่อว่ากรรมดำกรรมขาวและกรรมทั้งดำทั้งขาวหรืออาจเรียกง่ายว่ากรรมดีและกรรมชั่ว จึงยังเหลือกรรมอย่างที่สี่ค้างอยู่กรรมอย่างที่สี่นี้มีลักษณะการให้ผลต่างออกไปจากกรรมสามข้อต้นอย่างสิ้นเชิงจึงแยกออกมาพูดไว้ต่างหากคนทั่วไปและแม้แต่ชาวพุทธส่วนมากมักสนใจกันแต่เรื่องกรรมสามอย่างแรกและมองข้ามกรรมข้อที่สี่นี้ไปเสียทั้งๆ ท, ที่กรรมข้อสุดท้ายนี้เป็นหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนา และเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่จุดหมายที่แท้จริงของพุทธธรรมกรรมดำและกรรมขาวหรือกรรมดีกรรมชั่วโดยทั่วไปนั้นแสดงออกเป็นการกระทำในรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งประมวลลงได้ในขอบเขตของหลักที่เรียกว่าอกุศลกรรมบทสิและกุศลกรรมบทสิเช่นการทำลายชีวิตการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินความประพฤติผิดต่างเพศการพูดชั่ว หรือทำร้ายกันด้วยวาจาเป็นต้นและการทำความดีในทางตรงกันข้ามกรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้ผู้กระทำประสบผลดีและผลร้ายต่างๆตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตพร้อมทั้งวิถีทางดำเนินของชีวิตนั้นทาให้เขาทากรรมดีและกรรมชั่วอื่นๆต่อไปอีกหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัตส่วนกรรมประเภทที่สี่นี้ มีลักษณะการให้ผลในทางตรงข้ามคือเป็นกรรมที่ไม่ทำให้เกิดกรรมสั่งสมต่อต่อไปแต่เป็นกรรมที่ทำแล้วกลับทำให้สิ้นกรรมทำให้หมดกรรมนำไปสู่ความดับกรรมหรือนำมาซึ่งความดับกรรมพูดง่ายๆว่าเป็นกรรมที่ทำแล้วไม่ทำให้เกิดมีกรรมกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมหรือกรรมที่สร้างภาวะปลอดกรรมนี้ ได้แก่การปฏิบัติตามหลักการที่นำไปสู่จุดหมายสูงสุดของพุทธธรรมถ้ามองที่หลักอริยสัจส์่ก็ได้แก่ข้อที่สของอริยสัจนั้นคือมักมีองค์ดซึ่งอาจจะจัดรูปใหม่เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกชื่ออย่างอื่นเช่นโพชงเจ็บหรือไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็ได้บางทีท่านกล่าวถึงกรรมอย่างที่สี่นี้ โดยสัมพันธ์กับกรรมสามข้อแรกว่าได้แก่เจตนาเพื่อละกรรมสามอย่างนั้นซึ่งก็คือการกระทําหรือการปฏิบัติที่ประกอบด้วยเจตจำนงหรือความคิดในทางที่เป็นการทําให้กรรมสามอย่างแรกไม่เกิดขึ้นนั่นเองหรือถ้ากําหนดด้วยมูลเหตุก็เรียกว่ากรรมที่เกิดจากอะโลภะอโทสะและอโมหะการพูดถึงกรรมนั้นตามปกติ จะมีความหมายโยงไปถึงเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสุขและความทุกข์เพราะความสุขและความทุกข์เป็นผลสืบเนื่องไปจากกรรมโดยที่กรรมเป็นเหตุและสุขทุกข์เป็นผลเมื่อยังมีกรรมก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในวังวนแห่งสุขและทุกข์ถ้าเล็งถึงภาวะที่ดีงามสูงสุดเป็นที่หมายโดยไม่ให้มีข้อบอกพร่องเหลืออยู่เลยภาวะที่ยังรักคนได้สุขและทุกข์ ก็คือยังไม่พ้นจากทุกดังนั้นกรรมจึงยังเกี่ยวเนื่องอยู่กับทุกขและยังเป็นเหตุของทุกอย่างไรก็ตามที่เป็นอย่างนี้ก็จะเพาะแต่กรรมสามอย่างแรกเท่านั้นกรรมประเภทที่สนี้เป็นข้อยกเว้นเนื่องจากเป็นกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมจึงเป็นกรรมที่นำไปสู่ความสิ้นทุกหรือความไม่มีทุกเหลืออยู่เลยอีกด้วย ในขณะที่กรรมดีนํามาซึ่งผลคือความสุขแต่ความสุขนั้นรัคนอยู่ได้ทุกขและอาจเป็นปัจจัยแก่ทุกได้ต่อไปกรรมประเภทที่สนี้มีแต่ทําให้เกิดภาวะปลอดทุกขอย่างเดียวและโดยสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นในขณะที่กําลังทํากรรมนี้อยู่ก็กระทําโดยไม่มีทุกข์อีกด้วยจึงเป็นกรรมที่ไร้ทุกเป็นภาวะสุขล้วนโดยสมบูรณ์ ความสิ้นกรรมหรือดับกรรมนี้มีสอนในลทัทธิศาสนาอื่นที่ร่วมสมัยกับพระพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะลัทธินิครนลัทธินิครนสอนหลักการเรื่องกรรมเก่าเรียกเป็นศัพท์ว่าปุเพกะตะวาทะเรื่องความสิ้นกรรมเรียกเป็นศัพท์ว่ากรรมกระใสและการทรมานตนด้วยการบาเพ็ญตบะเรียกเป็นศัพท์ว่าตโปโก ร, รม นิครนสอนสามหลักการนี้เพื่อทำให้สิ้นกรรมหลักการทั้งสามอย่างนี้ถ้าไม่ทำความเข้าใจโดยแยกออกจากคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ชัดเจนก็จะเกิดความสับสนกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและเกิดความหลงผิดขึ้นแต่ถ้าสามารถแยกออกจากหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้ก็กลับจะทาให้เข้าใจพุทธธรรมชัดเจนขึ้นด้วยรัินิครสอนดังนี้ สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่บุคคลได้เสวยทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตนทำไว้ในปางก่อนโดยนัยดังนี้เพราะทำให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตะบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่ก็จะไม่มีผลบังคับต่อไปเพราะไม่มีผลบังคับต่อไปก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนา ทุกทั้งปวงก็จะโสมสาหมดไปเองพวกนิครนมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้พวกนิครนถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมเก่าจะหมดทุกได้ก็ต้องทําให้กรรมหมดสิ้นไปด้วยการบําเพ็ญตบะเผากิเลสซึ่งเป็นการทํากรรมเก่าให้เหื่อหายและไม่ทํากรรมใหม่เพิ่มขึ้นอีกแต่พระพุทธศาสนาสอนว่า กรรมเก่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยจะต้องรู้เท่าทันตามเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตนได้ถูกต้องคนจะหมดทุกได้ด้วยการทำกรรมแต่เป็นการกระทำอย่างถูกต้องซึ่งทำให้ไม่มีกรรมเกิดขึ้นและจึงทำให้กรรมหมดไปดังนั้นเพื่อให้กรรมกลายเป็นศูนย์แทนที่จะหยุดนิ่งหรืออยู่เฉย ผู้ปฏิบัติตามหลักการของพุทธธรรมจึงยิ่งต้องเพียรพยายามทำการอย่างเอาจริงเอจังแต่เป็นการกระทำหรือปฏิบัติด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจตามเป็นจริงซึ่งทำให้ปลอดโปร่งเป็นอิสระพ้นจากการกระทำต า, ตามอำนาจวงการของตัณหาที่เข้ามาช่วยสนองอวิชชาชักพาคนให้ร่านรนทยานไป